นะโมตัสสะภะคะวะโต a r ah a h ah a ส o samma s a m b h a นะโมตัสสะภะคะวะโต a r a โ a t o samma sambuddha นะโมตัสสะภะคะวะโต arahato samma s a m b u d d a ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย มีพระพุทธพระธรรมทะสงค์ขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชศิริธรรมเมธีรองเจ้าคณะภาคส8ปผู้ที่เป็นประธานในโครงการของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงของภาค18ในขณะนี้ขอถวายความเคารพแด่พระมหาเทระพระเทระพระมัชชิมะและพระนวะกะทุกๆุกรูปขอเจริญในธรรมแต่ญาติโยมทุกๆุกคนที่ได้มาร่วมปฏิบัติธรรมในโครงการ ของทุนเราเรียนหลวงก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของพระภิกษุและของญาติโยมญาติโยมที่เปิดโอกาสให้ตัวเองเพราะว่าถือว่าคนเราที่จะได้มีโอกาสอย่างนี้นี่เป็นเรื่องที่ยากแต่ก็สามารถเปิดโอกาสให้ตัวเองที่จะสละการงาน แล้วก็มาร่วมปฏิบัติธรรมแล้วก็มาช่วยดูแลพระภิกษุที่ปฏิบัติธรรมด้วยดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลช่วยอนุเคราะห์สิ่งต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกก็ถือว่าการปฏิบัติธรรมนี้ก็ล่วงมาเดือนกว่าแล้วการปฏิบัติธรรมก็ถือว่าลุกหน้าโปรสควร การสํารวมของท่านที่ปฏิบัติก็เห็นมีความเด่นชัดขึ้นการสอบอารมณ์ดูก็มีความเข้าใจถ้าท่านมีความเข้าใจแล้วท่านก็สามารถทำได้ถูกต้องแต่ถ้าท่านไม่มีความเข้าใจท่านทำก็ไม่ถูกแม้นว่าท่านขยันอย่างไร ก็ไม่ได้ผลแต่ถ้าท่านเข้าใจท่านทำถูกต้องท่านขยันไปเถิดไม่เสียผลอยู่ที่ความใส่ใจของท่านบางรูปอาจจะอินทรีย์อย่างน้อยอินทรีย์น้อยนี่ไม่มีกำลังพอในการปฏิบัติในความเพียร ถ้าจะไปปฏิบัติเองก็ไปไม่รอดแต่เวลาปฏิบัติร่วมกับหมู่คณะอย่างนี้ความเพียรของหมู่คณะนี่ช่วยเสริมให้กับผู้ที่มีความเพียรยังอ่อนนี่ได้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นด้วยถ้าว่าเกิดปฏิบัติอยู่คนเดียวนี่เขาทาไม่ได้แต่ถ้ามาปฏิบัติในศาลารวมเขาก็ทำได้เพราะหมู่คณะ ก็ทแล้วการปฏิบัตินี่ทำไมต้องกาหนดอยู่ตลอดละ่ะเหตุที่ต้องกาหนดอยู่ตลอดเพราะเพื่อให้ท่านให้ท่านดำเนินชีวิตตามรูปแบบที่ถูกต้องเพราะการดำเนินชีวิตของสัตว์ในโลกนี้ต้องอาศัยรูปแบบหมด แต่ผู้ปฏิบัติบางคนคิดว่าการปฏิบัติทำเที่ยวกำหุดฟ้าย่างหนาซ้ายย่างหนอมันไม่ติดรูปแบบอยู่ถ้าอย่างนั้นจับหนายกหนอไม่ติดรูปแบบอย่างนั้นถ้าติดรูปแบบมันจะไปสู่มรรคผลได้อย่างไรบางบางท่านก็มีความสงสัย หรือว่าโยมบางคนก็มีความสงสัยถ้ามัวแต่กำหนดอย่างนี้แล้วไม่ติดรูปแบบหรือแล้วทีนี้โยมมาลองดูว่าใครบ้างละ่ะที่ไม่ติดรูปแบบในโลกนี้ที่ไม่ติดรูปแบบอะ่ะถ้าโยมคิดว่าโยมปฏิบัติฉันนี่แหละไม่ติดรูปแบบพรุ่งนี้อ่ะโยมโยมกระโดดไปทีละสองเท้านะ ถามว่าทําไมโยมกระโดดทีละสองเท้าฉันไม่ติดรูปแบบแล้วเลยเดินไม่ค่อยเหมือนคนเท่าไหรเพราะคนในรูปแบบของคนไม่ว่าประเทศไหนอะไปทีละเท้านะไปทีละเท้าแต่เขาไปด้วยอารมณ์โยมดูได้เลยคนตั้งแต่เกิดมาที่เขาเดินเดิ น, เ ด, นเดินทั่วไปเนี่ยไปทีละเท้าอะเดียวกับเท้าข้างซ้ายข้างขวาข้างซ้ายข้างขวาสลับกันอย่างนั้นเนี แต่เขาเดินไปด้วยอารมณ์เมื่อเดินไปด้วยอารมณ์เขาเรียกว่าเดินไปด้วยอวิชชาที่เต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงเพราะฉะนั้นการที่ตามรูปแบบแต่รูปแบบนี้เขาเรียกว่ารูปแบบที่มีสตินะรูปแบบที่มีสติแต่คนทั่วไปที่เขาไม่ได้ฝึกเจริญสตินี่ เขาก็เดินตามรูปแบบแหละเท้าซ้ายเท่าวขวาไปอยู่อย่างนั้นเนี่แต่นั้นไปด้วยอวิชชาแต่พอเดินกําหนดที่โยมกําหนดขวาย่างหนอซ้ายย่างนอนก็ายยานนตามรูปแบบรูปแบบก็มีสติแล้วมาดูว่าสัตว์ในโลกนี้อชนิดไหนบ้างอที่ไม่อาศัยรูปแบบดูได้โยมก็เห็นนอนไหม นอนมันคลานตามรูปแบบของนอนไหมว่ามีหนอนตัวไหนบ้างที่นอนกริ้งไปไม่มีนอนมันก็นไปตามรูปแบบของหนอนนั่นแหละมันก็ ค, ค่อยๆคืบไปงูงูมันก็ไปตามรูปแบบมันก็เลื่อยไปสัตว์เดรัจฉานงูมันก็เลื่อยไปตามรูปแบบของมันไม่มีงูตัวไหนอะนอนกริ้งไปไม่มีถ้างูตัวไหนนอนกริ้งะตัวนั้นเ น, นี่ยไม่ติดรูปแบบแล้ว ไม่ติดรูปแบบเพราะฉะนั้นรูปแบบนี่มันมีอาศัยอยู่ในสัตว์โลกทุกชนิดเลยหมาก็เหมือนกันนะก็วิ่งสีข่ขาไม่มีหมาตัวไหนโดดไปขาข้างเดียวแงะแงกแงกแงกแ ง, งถามไปไงสงสัยหมาตัวนั้นไม่ติดรูปแบบแล้ววิ่งขาเดียวเป็นไปไม่ได้สัตว์โลกทุกชนิดเลยโยมดูได้ไม่ว่าเดริชานชนิดไหน มันก็มีรูปแบบของมันในการเคลื่อนไหวอยู่แต่นั้นเขาเรียกว่าเคลื่อนไหวตามรูปแบบที่เป็นไปด้วยอวิชชาที่เป็นไปด้วยความโลภความโกรธความหลงเพราะเขาอาศัยรูปแบบแต่ไม่มีสติไม่มีสตินะแต่พอยมเดินน่ะยมดัวขวาย่างหนอมีสติตรงเท้าขวา ซ้ายย่างหนอมีสติตรงเท้าซ้ายเมื่อพอมีสติจิตไม่ปรุงแต่งโลภโกรธหลงไม่เกิดโลภโกรธหลงไม่เกิดนะที่ยมกาหนดฝ้าย่างหนอซ้ายย่างเนอโลภโกรธหลงไม่เกิดถ้าใครคิดว่าปฏิบัติไม่ต้องการให้ติดรูปแบบะพรุ่งนี้ลองดูได้เวลาเข้าไปที่พักกระโดดไปทีละสองเท้าเลยตุก ก็ถามยังไงก็ผมมาเข้ากรรมาฐานผมไม่ติดรูปแบบแล้วถ้าอย่างนั้นเขาจะมองเลยรูปนี้สงสัยเสร็จแล้วอย่างนี้ต้องส่งโรงพยาบาลแล้วเพราะอะไรเพราะไม่ติดรูปแบบแล้วจะพ้นแล้วนั่นแหละรูปแบบนี่มันต้องมีนะรูปแบบอ่ะมันต้องมีรูปแบบทิ้งไม่ได้พรุ่งนี้ท่านคิดว่าท่านฉันเข้าไม่ติดรูปแบบแล้ว ตักเข้าใส่ปากแล้วท่านกลืนเลยนะไม่ต้องเคี้ยวกลืนเลยตักกลืนก็ไปกลืนลงไปกอยถามทำไมไม่เคี้ยวไม่ติดรูปแบบแล้วไม่ติดแล้วรูปแบบตักใส่ปากก็กลืนไปกลืนไปไม่นานเรียบร้อยเข้าจุกตายเลยเอาเพราะไม่ติดรูปแบบเพราะฉะนั้นคำว่ารูปแบบมันต้องมี แตรูปแบบที่มีสตินี่โลภโกรธหลงไม่เกิดเมื่อโลภโกรธหลงไม่เกิดนี่อวิชชาไม่เกิดเมื่ออวิชชาไม่เกิดตัวตนบุคคลเราเขามันไม่มีที่ท่าน ก, นกําหนดฝาย่างหนอมันมีฝวาไหมท่านระลึกได้อะแค่ว่าขวาแต่พอย่างนี่มันไม่มีขวาแล้วมีความรู้สึกตึงหย่อนอยู่แล้วพอเยียบลงนี่ท่านลองดูได้มันไม่มีขวาแล้วมันรู้สึกแล้ว มันมีแต่เหลือแต่แค่ความรู้สึกตึงย่อนอ่อนแข็งอยู่มันไม่มีขวาแล้วมันไม่มีหญิงไม่มีชายแล้วเพราะความรู้สึกเกิที่มันตึงย่อนอ่อนแข็งหนักเบาอยู่อะมันละเลยตรงนั้นอะท่านลองดูได้เพราะท่านกําหนดอะขวาย่างหนอะชายย่างหนอที่ท่านย่างไปอะมันเหลือแต่ความรู้สึกแล้วเหลือแต่ความรู้สึกแล้วก็ไม่ได้มีหญิงไม่ได้มีชายไม่ได้มีซ้ายไม่ได้มีขวา มีแต่สาภาวะของปัจจุบันทุกขณะทุกขณะทุกขณะที่ท่านกาหนดนะเพราะฉะนั้นท่านอย่าไปคิดนะว่าการกาหนดแบบนี้มันติดอยู่ในรูปแบบมันยึดอยู่ในรูปแบบมันไม่ใช่แต่พอมีสติตัวสตินี่แหละมันมาทำลายตัวกายทิติมันละมันลดไปในเรื่องรูปแบบตรงนั้นเพราะฉะนั้นที่ท่านกาหนด ที่ท่านมีสตินี่แหละนะทุกขณะทุกขณะรูปแบบมีแต่ก็มีสติเหมือนคนทั้งหลายที่เขาทําสวนทําไร่ทํานาเขาก็อาศัยรูปแบบนี่แหละในการเดินเข้าป่าเข้าเขาแต่ถามดูว่ากายกับจิตของเขาไปคู่กันไหมไม่ได้ไปคู่กันนะแตกสามัคคีกัน จิตก็ไปอย่างหนึ่งกายก็ไปอย่างหนึ่งเพราะอะไรเพราะเขาไม่กำหนดนั่นเขาเรียกว่าเขาไปแบบโมหะถ้าไม่กำหนดท่านลองดูได้คนที่เดินไปจิตไม่กำหนดแล้วทีนี้ถามดูว่าคนที่เดินไม่กำหนดเขามีขันห้าไหมท่านตอบได้เลยว่ามีมีขันห้าที่เขาเดินไปเขามีขันห้าทำไมเขาไม่กำหนดอ่ะเพราะเขาไม่ได้เจริญสติแล้วทีนี้ วัวควายหมูหมาแมวมีขันห้าไหมมีมีขันห้าเหมือนกันแล้วทาไมไม่กําหนดละเพราะกําหนดไม่ได้เพราะอยู่ในทุกขติภูมิสอนอยังไงก็ไม่ได้ฮะหมาแมววัวควายนี่ไก่อะไรอย่างนี้สอนในฝ้าย่างเนอะาย้ย่างหนอจิกอาหารก็จิกเนอไม่ได้เพราะเขาอยู่ทุกขติภูมิ จะสอนไปไสูมักผลไม่ได้แล้วทีนี้ผู้ที่เดินไม่กําหนดไม่กําหนดเหมือนชาวสวนชาวไร่ชาวนาพ่อข้าแม่ขายทั่วไปที่เขาเดินไม่กําหนดพอเดินไม่กําหนดเขามีขนณาเขาไม่กําหนดเดรฉานก็มีขณาไม่กําหนดเหมือนกับว่าเขาเรียกว่า วนไปด้วยอวิชชาวนไปด้วยอวิชชานะความโลภความโกรธความหลงวนไปด้วยอวิชชาเพราะฉะนั้นไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยแต่แตกต่างกับรูปหน้าตาเราเห็นรูปหน้าตาอย่างนี้เป็นคนเป็นคนแต่ไม่มีสติมีขันห้าเป็นคนแต่ไม่มีสติเดระชานมีขนันห้าเหมือนกันแต่ไม่มีสติ แล้วมันต่างอะไรกันโมหะเข้าครอบงำโมหะเข้าครอบงานั่นเลยน่ากลัวนะเพราะฉะนั้นอย่าไปสงสัยว่าที่เรากำหนดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเพื่อจะให้รูปแบบที่เราดำเนินชีวิตอยู่มีสติเมื่อมีสติแล้วโลภโกรธหลงมันไม่ปรากฏเมื่อโลภโกรธหลงไม่ปรากฏเท่ากับอวิชามันดับ อวิชามันดับแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะเมื่ออวิชาดับเท่ากับพบชาติมันก็ดับไปด้วยดับไปด้วยตัวกายะทิถีตัวที่ยึดมัน่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนบุคคลเราเขาอ่ะมันก็ละเพราะอะไรอ่ะเพราะมันรู้แต่แค่สภาวะความรู้สึกตึงหย่อนหนักเบารอ้อนเย็นอ่อนแข็งมันรู้อยู่อย่างนั้นเนี่ยแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่ท่านเยียบอ่ะ สังเกตดูได้ว่าเป็นอย่างนั้นจริงไหมเหมือนผมพูดไหมว่ามันมีหญิงมีชายไหมที่ท่านเหยียบไปแล้วความรู้สึกตรงนั้นมันตัดไปท่านไม่ต้องไปตัดแต่มันตัดของมันเองเพราะอาวิชามันดับเมื่อมันดับแล้วความที่ไปยึดมันไม่มีที่จะไปยึดเป็นตัวตนบุคคลเราเขาที่จิตปรุงแตง่งไปด้วยอํานาจอาวิชาไม่มี เพราะฉะนั้นการที่ท่านกำหนดทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งตลอดไปอ่ะเรื่องรูปแบบนี่ท่านต้องเชื่อได้เลยว่าสัตว์โลกทุกภกภูมิมีรูปแบบหมดเทวดาก็มีรูปแบบของเทวดาพรหมก็มีรูปแบบของพรหมมนุษย์ทุกคนมีรูปแบบของมนุษย์ไม่ว่าจะกินจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนไม่มีมนุษย์คนไหนนอนห้อยหัวเหมือนค้างคาว ไม่มีนะถ้าท่านไม่อยากจะติดรูปแบบคืนนี้ท่านลงไปนอนห้อยหัวลองดูเพื่อนไปเห็นนี่ชักจะยืนงงเฮ้ยทําไมแล้วเพื่อนเราสงสัยส้ฝึกวิปัสสนาไม่มีรูปแบบแล้วชักจะยุ่งแล้วถ้าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านต้องจําไว้哦รูปแบบเป็นสิ่งสําคัญของในวัฏฏะสงสารนี่สัตว์ทุกชนิดที่อยู่ในวัฏฏะสงสารอาศัยรูปแบบแต่ ชาวพุทธมนุษย์ชาวพุทธที่ได้ศึกษาเล่าเรียนพระพุทธศาสนาได้เล่าเรียนวิปัสสนานั่นแหละอาศัยรูปแบบที่มีสติแต่ชาวพุทธในโลกอะที่ศ า, าสนาต่างๆอะที่เขาไม่ได้สอนเรื่องการเจริญสตินี่อย่าหวังนะว่าเขาได้บริหารขันของเขา เขาอาศัยรูปแบบที่มีสติอย่าหวังเพราะว่าเขาไม่เคยได้สอนเรื่องอย่างนั้นแต่ศาสนาอื่นอาจจะสอนว่าทำจิตให้สงบแต่ไม่ได้สอนว่าให้รู้ตามความเป็นจริงอาจจะสอนนั่งท่องอะไรไว้เพื่อจะให้จิตมันสงบแต่พอวิปัสสนานี่ไม่ได้สอนให้ท่านทำจิตให้สงบนะ ท่านต้องโยมต้องเข้าใจวิปัสสนาในสอนเรื่องสติชื่อว่าการเจริญมหาสติประฐานสีคือให้มีสติอยู่ในปัจจุบันในตามรูปแบบท่านอาบน้าก็มีสติอยู่ที่รูปแบบจับขันก็จับหนอตักหนอยกหนอลดหนอท่านกินรับประทานอาหารก็มีรูปแบบมีสติ อยู่ในรูปแบบการฉันอาหารจับช้อนจับหนอตักหนอมาหนอะใส่ปากก็ใส่เนอเกี้ยวหนอะเกี้ยวเนอะกลืนหนอมีรูปแบบท่านจะอาบน้ําจะทําอะไรนี่อาศัยรูปแบบหมดเลยแต่อาศัยรูปแบบที่มีสติแต่ถ้าท่านเผลอปึ๊บท่านจะรู้เลยโอ้โมหะแล้วมีขันห้าที่ศูนย์เปล่าแล้วมีขันห้าที่โมคะแล้วมีขันห้าที่ไม่มีประโยชน์แล้ว มีขันห้าที่ไม่มีแก่นสารแล้วขันห้าที่ไม่มีแก่นสารก็คือขันห้าที่ไม่สามารถไปสู่มรรคผลได้อขันห้าที่ศูนย์เปล่าเกิดมาชาติหนึ่งศูนย์เปล่าเพราะอะไรเพราะไม่มีสติเพราะขันห้าที่เป็นโมฆะที่ใช้แต่อารมณ์มาอาศัยเพราะฉะนั้นโยมก็เห็นว่าคนทั่วไปเป็นอย่างไรที่เขาใช้ขันห้า โยมเคยทำงานอยู่ข้างนอกเป็นอย่างไรถ้าไม่กำหนดโอ้การทางานของเราแต่ละวันนี่มันมีรูปแบบแต่ใช้ขันห้าที่โมคะจริงๆเพราะไม่มีสติแต่พอมีสติรูปนามเขาอยู่ปัจจุบันจิตไม่ปรุงแตง่งเพราะฉะนั้นโยมก็ต้องเข้าใจนะว่าโอการที่ใช้รูปแบบในการทำงานนี่ เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ต้องมีสติอยู่เพราะฉะนั้นการจเจริญวิปัสสนานี่จเจริญไปเพื่ออะไรล่ะก็จะเจริญไปเพื่อบริหารขันห้าด้วยสติบริหารขันห้าไม่ว่าโยมจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะเคี้ยวจะทําอะไรกําหนดสติหมดไม่เว้นไม่วางไม่ละไม่เลยไปตรงนั้นต้องเอาตรงนั้นอยู่ตลอด แล้วทำไปเพื่ออะไรก็ทำไปเพื่อให้มีสติทันอยู่กับรูปกับนามสังเกตดูได้ผู้ที่มีสตินะโยมสังเกตดูเดินเบาแล้วเขามีคณนาไหมมีแล้วทำไมเขาเดินเบาอ่ะอ๋อก็เพราะสติไงสตินี่มันทำให้เบาคนมีคณน่าพูดเสียงเบามีสติเสียงเบา ทำอะไรเบาเพราะอะไรสติกาหนดสติทำให้เบาให้ลอยลอยลอยลอยขึ้นแต่ถ้าเวลาพูดที่ว่าไม่ได้จเจริญสติเดินทิ้งน้ำหนักเลยตึกตึกตึกตึกตึกโยมดูได้เถือนเพราะอะไรอ๋อเพราะโมหะโมหามันเถือนเถือนไปถึงนรกนู่นเถือนไปถึงอบายภูมินู่น เพราะอะไรออเพราะโมหะไงมันพาไปเถื่อนไปถึงอบายาภูมิแต่พอมีสติมันเบามันไม่เถื่อนไปถึงอบายาภูมิผู้ที่จเจริญมหาสติปัฏฐานนี่มันปิดอบายาภูมิน ะ, จะเจริญมหาสตินี่ไปถึงมรรคไปถึงผลถึงพระรัตตนาฏไรถึงอะไรถึงหมดแต่ไม่ถึงอบายาภูมินะการจเจริญวิปัสสนานี่มันปิดอบายาภูมิ แต่ไปถึงสวรรค์ไปถึงมรรคถึงผลถึงอะไรหมด ừ, ถึงพระรัตนตรยัยถึงหมดะแต่อบายภูมิไปไม่ถึงเพราะอบายภูมิไม่รับไม่รับกับคนที่จะเดินมหาสติปัฏฐานไม่รับเพราะฉะนั้นผู้ที่ทิ้งน้ำหนักยมดูได้เดินเทื่อนเลยเพราะอะไรเพราะพลังของโมหะทิ้งน้ำหนักตัวไปมีเท่าไหร่ทิ้งหมดทิ้งหมด ไม่ต้องไปสงสัยว่าทำไมครั้งพุทธการพระอาหารหันต์เหาะได้อ่ะลอยได้อ่ะก็เบาไงเพราะไม่มีกิเลสมันทวงมันเหนียวเอาไว้ไม่มีโมหะมันช่วยยุดช่วยเหนียวเอาไว้พระอาหารหันต์ก็เลยลอยได้เหาะได้เพราะอะไรเพียงแต่ว่าโยมฝึกแค่มีปิติมีสุขนี้ทำไมมันรู้สึกเบาเดินบางวันน้ยเบาเหมือนตัวจะลอย บางวันมันเดินไปนุ่มไปหมดเพราะ อ, อะไรอ๋อนั่นแหละมีสติมันเป็นสมาธิมันเลยเบาแต่ถ้าว่าเดินเหมือนคนทั่วไปเหมือนที่เขาไม่ได้กาหนดนเขาเดินไปด้วยโมหะเพราะฉะนั้นการที่กาหนดอยู่ในรูปแบบเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วแต่ต้องมีสติเข้ามาบริหารขันต้องตามรูปแบบแล้วบาง แล้วบางคนน่ะพูดว่าอย่างไยทาซ้ำซากน่าเบือ่อซ้ำซากเดินทั้งวันนั่งทั้งวันซ้ำซากน่าเบือ่อเอาแล้วคุณไม่อยากซ้ำซากเล อ, อถ้าไม่อยากซ้ำซากไปไหนก็ไปตายอย่างเดียวเพราะตายไม่ซ้ำซากนั่นไงตายอย่างเดียวไม่ซ้ำซากแล้วที่ตื่นมาตั้งแต่เชา้านี่หายใจซ้ำซากไหมซ้ำซาก ที่ถ่ายนักถ่ายเบามาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันท้าซากไหมก็ซ้ํำซากกินอาหารมาทุกวันทุกวันซ้ํำซากไห ม, มก็ซ้ำซากชีวิตที่อยู่มาได้จนถึงปัจจุบันทุกวันนี่เป็นเพราะซ้ําซากทั้งนั้นถ้าใครไม่อยากซ้ํำซากนั่นเข้ารูมเมนตายทีเดียวจบไม่ต้องซ้ำซากแล้วไม่มีใครตายภาคหนึ่งภาคสองภาคสามตายทีเดียวนั่นไม่ซ้ํำซากถ้าไม่เชื่อ ใครบอกว่าไม่อยากทำซากแล้วลองไม่หายใจลองดูบอกไม่อยากทำซากรับรองเรียบร้อยตายตายอย่างเดียวทาไมทำซาก<ด>ผมไม่อยากทำซากครับพรุ่งนี้อย่าไปถ่ายลองดูไม่ถ่ายไม่กี่วันเนี่อรับรองเรียบร้อยตายตายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการทำซากมันเป็นเรื่องปกติไม่ได้ผิดปกติที่ว่าให้เดินทำซากไปทำซากมา เป็นเรื่องปกติของการบริหารขันเออเล้วอยากจะทราบใครบ้างที่นั่งตรงนี้ไม่พิจัยชีวิตซ้ำซากมาเลยตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันนะซ้ำซากอ่ะตั้งแต่นอนแบะเบาะดูดนมมาดูดแล้วดูดอีกดูแล้วดูดอีกซ้ำซากมาตั้งแต่เด็กนู่นเหยี่ยวแล้วเหยี่ยวอีกถ่ายแล้วถ่ายอีกตั้งแต่เด็กอ่ะไม่มีใครไม่ซ้ำซากแต่พอมาขวาย่างหนอใช้ย่างหนอเฮ้ยเบื่อจังซ้ำซากเหลือเกินปัดโถ แล้วจะให้แบบไม่แบบไหนที่ไม่ซ้ำซากก็บอกแล้วทาไม่ซ้ำซากก็เข้ารูเมนอย่างเดียวเท่านั้นนั่นแหละไม่ซ้ำซากเพราะฉะนั้นการที่ปฏิบัติซ้ำซากนี่มันเป็นเรื่องปกติเพราะชีวิตขันห้านี่ต้องอาศัยความซ้ำซากสัตว์โลกอาศัยความซ้ำซากหมดไม่ว่าหมาแมวหัวควายหัวควายก็กินหญ้าแล้วกินหญ้าอีกเดินแล้วก็เดินอีกถ่ายแล้วก็ทายอีกสัตว์ทุกชนี้น่ะ ลองดูได้และสัตว์ชนิดไหนไม่ซ้ำซากไม่มีทุกชนิดไม่ว่าเดริฉานหรือว่ามนุษย์ต้องใช้ชีวิตที่ซ้ำซากแต่ซ้ำซากแบบไหนที่ไอมาเดินซ้ำซากแบบมีสตินะซ้ำซากแบบมีสติแต่ที่เคยใช้ชีวิตมาก่อนละ่ะซ้ำซากไม่ซ้ำซากแต่ไม่มีสติ พอซ้ำซากไม่มีสติเราไม่ได้เห็นนะว่าซ้ำซากเราไม่ได้เห็นว่าซ้ำซากเพราะอะไรเพราะโมหะมันครอบงำพอโมหะครอบงไม่เห็นว่าที่เราเดินอยู่ทุกวันมันซ้ำซากไม่เห็นแต่พอมาปฏิบัติอย่างนี้เดินทุกวันมันซ้ำซากน่าเบื่อเบื่อเลือกเกินมันซ้าซากอยากจะไม่ซ้ำซากเอาคนไม่ซ้ำซากบอกแล้วว่าตายนั่นต่ไม่ซ้ำซากจบ นั่นแหะตไม่ซ้ำซากถ้าเกิดไม่อยากให้มีรูปแบบต่อไปตายแล้วก็ไม่มีรูปแบบการเดินแล้วเพราะฉะนั้นการที่อาศัยความซ้ำซากนี่เลยนะอย่าเบื่อเพราะเรารู้ว่าชีวิตเราที่อยู่ไดอ้อยู่ได้ด้วยความซ้ำซากบริโภคอาหารแล้วบริโภคอีกวันหนึ่งสองมือ้บอบริโภคอย่างนั้น บอดีโปทุกวันทุกวันทุกวันซ้ํำซากอาบน้ําแล้วอาบน้ําอีกอาบน้ําแล้วอาบน้ําอีกถ่ายหนักถ่ายเบาซ้ํำซากอยู่อย่างนั้นทําเราคิดดูว่าโอ้ชีวิตมันซ้ำซากแต่ที่เราซ้ํำซากเมื่อก่อนนี้มันไม่มีสติเลยกินมาตั้งแต่เด็กไม่มีสติเลยเดินมาตั้งแต่เด็กซ้ํำซากไม่มีสติเลยนั่ง มาตั้งแต่เด็กไม่มีสตินอนมาตั้งแต่เด็กไม่มีสติแต่พอคาสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำอะไรซ้ำซากนั่นแหละแต่มีสติแต่มีสตินะจำไว้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปเบื่อกับความซ้ำซากเพราะความซ้ำซากที่พระพุทธเจ้าสอนอะซ้ำซากไปในทางที่ดี ซ้ำซากในการบริหารชีวิตที่มีสติเพราะฉะนั้นการซ้ำซากของคนทุกคนน่ะมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเขาซ้ำซากไม่เหมือนเราเขาซ้ำซากไม่มีสติแต่พระภิกษุโยมนี่ซ้ำซากแต่มีสติเพราะฉะนั้นเราจงภาคภูมิใจนะว่าคนที่ซ้ำซากแบบมีสตินี่มีไม่ใช่กี่คน มีไม่ใช่กี่คนแล้วพระพุทธเจ้าเทียบว่ายังไงบุคคลน่ะผู้ที่ไปนรกเหมือนกับขนโคแต่ผู้ที่ไปมรรคผลเหมือนกับเขาโคคิดดูน้อยขนาดไหนผู้ที่จเจริญสติอาศัยชีวิตอยู่ด้วยการมีสตินั่นคือการจเจริญไปเพื่อไปมรรคผลนะเหมือนกับเขาโคน้อย แต่ผู้ที่ไม่เจริญสติการบริหารร่างกายนี่ที่ไปนรกกันนะเหมือนกับขนโคเทียบกันไม่ได้เลยโยมอย่าเจ่าคิดอีกนะห้ฉันขอให้เป็นขนใกล้เขาก็ยังดีท่านถ้าเป็นขนใกล้เขาระวังตกนรกลึกลึกกว่าผู้อื่นเพราะอะไรเพราะผู้ปฏิบัติเนียเนีย เขาเรียกว่าเหมือนกับเขาโคคือเหมือนกับที่จะไปสวรรค์แต่เราเป็นคนโคที่อยู่ใกล้เขาหมายถึงว่าเราเป็นคนที่มาประมาทกับผู้ที่จเจริญสติอยู่อันตรายมากถ้ามาประมาทอยู่กับผู้ที่จเจริญสตินี่อันตรายมากบาปมากเพราะฉะนั้นต้องสำรวมระวังนะต้องสำรวมระวังเห็นเขาจเจริญสติอยู่นี่ เราพยายามอย่าส่งเสียงดังอย่าพูดคุยอนุโมทนาสาธาุที่เขามีความเพียรที่เขาตั้งใจปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นให้พยายามอยู่กันด้วยความสงบอย่าพูดอย่าคุยกันให้ความเกรงใจให้ความเคารพซึ่งกันและกันเพราะตอนนี้นี่ดูแล้วว่า ท่านก็วางของเก่าแล้วท่านไม่ได้เอาของเก่ามาเที่ยวนั่งปฏิบัติแต่ท่านเอาเนี่ยมหาสตินี่เอาปัจจุบันนี่ที่กําหนดพระสอบอารมณ์ดูแล้ววางของเก่าท่านเก็บสายตามีแล้วเก็บสายตาไม่เที่ยวไปสอดสายไปนูไปนี่ไปทั่วเสียหมดสํารวมขึ้นท่านทําช้าๆเออดูช้าๆแล้วไม่ค่อยเดินเร็ว ไปเข้าห้องน้ํานี่ตอนนี้ก็เเห็นเริ่มเงียบแล้วเดินข้างนอกนี่เมื่อก่อนท่านกําลังนั่งสมาธิพอลุกขึ้นไปอจุ๊บจุ๊บจุุุุเสียงเหยียบทรายไปเห็นเลยนี่โอ้ท่านนั่งอยู่แต่พอลุกขึ้นไปหลุดทันทีเลยหลุดไม่มีสติเลยโอ้เสียดายเสียดายเหมือนท่านกรองน้ําพอจะได้น้ําใสแล้วกอบทรายใส่ต่อ กรองน้ำอีกมานั่งกรองอีกก็มีสติอย่างดีพอลุกขึ้นดีอ่ะเหมือนเอาทรายมาใส่อีกกรองกันตายกรองกันตายเพราะฉะนั้นกรองแล้วต้องคอยรักษาด้วยเออกรองแล้วคอยรักษาด้วยจะลุกขึ้นไปไหนต้องคอยกําหนดต้องคอยกําหนดอย่างต่อเนื่องจริงๆต้องอยู่กับตัวเองจริงๆครูบาอาจารย์นะ บอกแล้วว่าสอนท่านได้ตรงนี้แหละแต่ครูบาอาจารย์ที่แท้จริงของท่านน่ะคือสติสัมปัญญะนั่นแหละครูบาอาจารย์ที่แท้จริงของท่านแล้วที่ท่านกำหนดนี่ท่านดูได้เลยว่ามาเทียบดูได้เลยกับที่ท่านเคยบวชท่านเคยได้ทำไหมท่านเคยรู้อย่างนี้ไหมท่านลองนึกย้อนไปดูได้เลย ท่านเคยทำอย่างนี้ไหมผมว่านี่คงจะยากจะถามดูว่าใครบ้างที่เคยปฏิบัติได้ต่อเนื่องอย่างนี้ถึงสี่สิบห้าวันนี่ที่ตั้งแต่บวชมาแล้วนี่ถ้ามีก็น่าจะน้อยรูปแทบจะไม่มีเสียเลยถ้ามีก็น้อยรูปเพียงแต่ท่านได้มาตรงนี้ท่านจะรู้แล้วโอ้ตั้งแต่ผมบวชโอกาสอย่างนี้หายากเออหายาก แล้วได้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วท่านมาปฏิบัติอย่างนี้ท่านมีหน้าที่อะไรท่านลองดูตื่นเช้าปุ๊บท่านมาปฏิบัติปฏิบัติ ถ, ถึงเวลาปุ๊บแค่จับบาตรรับอาหารแล้วมาฉันฉันเสร็จถึงเวลาปฏิบัติมีปฏิบัติกับฉันอาหารปฏิบัติกับฉันนี่ ไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่ต้องไปหามีเจ้าภาพเขาหามาให้เรียบร้อยหมดเพียงแต่ท่านเอาความเพียรทำความเพียรอย่างเดียวนี่ท่านไม่ต้องไปขนขวายหาอาหารอะไรทั้งสิน้นพร้อมสะดวกทุกอย่างดูว่ามีประโยชน์ขนาดไหนผู้เอื้ออำนวยความสะดวกให้ท่านนะ่ะ มีอย่างมากมายท่านดูแต่ละวันที่มาสนับสนุนเรื่องอาอานเรื่องอะไรน้าปานะอะไรบริบูรณ์มผมเห็นแล้วผมว่าโอ้โหสะดวกสบายไม่ต้องทำอะไรรับผิดชอบคือหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่การกําหนดแล้วได้กับใครได้ตัวท่านเองนะได้กับตัวท่านเองเรื่องสตินี่ ท่านปฏิบัติอย่างนี้ผม่าโอ้ท่านผมขอแบ่งสักครึ่งดีไม่ไม่มีทางแบ่งได้ไม่เหมือนเป็นขนมก็หักแบ่งตักแบ่งกันได้แต่มาถึงขอมรดผลที่ท่านจเจริญแล้วอย่างนี้สักครึ่งนี้ไม่มีทางท่านทำเท่าไรได้ไปเท่านั้นทำเท่าไรได้เท่านั้นได้กับตัวท่านเองครูบาอาจารย์นี่มาทาอะไร มาสนับสนุนนะมามาส น, สนับสนุนท่านให้ท่านได้ความสะดวกสบายในการปฏิบัติในการทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นท่านมีหน้าที่ปฏิบัตินี่ผมว่านี่สุดยอดแล้วที่จะมีโอกาสอย่างนี้แล้วท่านอย่าไปเบือ่ออย่าไปเซ็งเพราะทุกอย่างอ่ะบอกแล้วว่าเป็นหน้าที่นะทุกอย่างอ่ะเป็นหน้าที่ที่ท่านต้องกําหนด เพราะว่าทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นกรรมาฐานทั้งหมดเลยไม่ว่าจะปวดไม่ว่าจะได้ยินทุกอย่างที่ตั้นเซ็งตันหดหูเพราะบางรูปสอบอารมณ์แล้วพอถามเป็นยังไงบ้างปวดไม่หายอาจารย์ปวดไม่หายถามมาแล้วท่านอยากจะหายไหมอยากหายเออก็ตายอย่างเดียว เขาก็ตายไม่ปวดไงถ้าตายยังไม่ปวดแต่ถ้ามีชีวิตน่ะปวดมันเป็นทุกขอริยาศาสตร์มันอยู่ในชีวิตเป็นความจริงถ้ามีเกิดมีแก่มีเจ็บเอาเป็นเรื่องปกติมีเจ็บมีเจ็บเป็นเรื่องปกติแล้วถ้าท่านไม่ให้เจ็บผิดปกติแล้วคนที่ไม่เจ็บคือคนตายเพราะฉะนั้นท่านปาฏิบัติแล้วท่านรู้สึกปวดไม่ต้องไปท้อ ไม่ต้องไปท้อนั่นแหละคือความจริงคือความจริงบางทีบางรูปปฏิบัติอาจารย์มันคุ้งไม่ส ง, งบเลยอาจารย์ปฏิบัติไม่เห็นส ง, งบเลยและอยากให้ส ง, งบเลยนู่นก็ไปอยู่ห้องดับจิตสิและจะส ง, งบอืมไปอยู่ห้องดับจิตอย่างเดียวนั่นแหละส ง, งบ เพราะฉะนั้นต้องรู้ความจริงสิออจิตมันมีหน้าที่คิดหน้าที่เบื่อหน้าที่ฟุ้งหน้าที่เซงหน้าที่หทโหรูเป็นเรื่องปกติเราก็มีหน้าที่กำหนดไปไม่ใช่เราไปมีหน้าที่ต้องการว่าอย่าให้จิตมันคิดอย่าให้จิตมันฟุ้งอย่าให้จิตมันหดหูไม่ใช่นะไม่ใช่เรามีหน้าที่รู้ความจริงเอาและหลักฐานอะไร ที่บอกว่าเรามีหน้าที่รู้ความจริงวิปัสนารู้แจ้งตามความเป็นจริงในปัจจุบันนั่นแหละนั่นแหละแล้วท่านมาทําอะไรกันท่านมาเจริญวิปัสนาเพราะฉะนั้นวิปัสนารู้แจ้งตามความเป็นจริงในปัจจุบันพอท่านปวดก็ปวดเนาะนั่นแหละความเป็นจริงปัจจุบันพอท่านรู้สึกเบื่อเบื่อเนาะนั่นแหละความเป็นจริงปัจจุบันรู้สึกฟุ้งก็ฟุ้งเนาะฟุ้งเนาะความเป็นจริงปัจจุบัน รู้สึกข no? ี้เกียจก็ขี้เกียจเนาะความเป็นจริงปัจจุบันไม่ผิดที่สิ่งที่เกิดไม่ผิดแต่ท่านต้องกําหนดแต่ถ้าท่านไม่กําหนดนั่นแหละผิดผิดหลักวิปัสสนาถ้าท่านไม่กําหนดมันผิดหลักวิปัสสนาแต่พอท่านกําหนดถูกหลักของวิปัสสนาเพราะวิปัสสนารู้แจ้งตามความเป็นจริงในปัจจุบันถ้าท่านไม่กําหนดท่านจะรู้ความเป็นจริงได้ไหมไม่ได้ ถ้าไม่รู้แจ้งตามความเป็นจริงไม่รู้ความเป็นจริงเขาเรียกว่าอะไรโง100่ร0 0ยเปอร์เซนก็โง่ไงถ้าไม่รู้ความเป็นจริงพอท่านมานั่งท่านไม่กำหนดนปุ๊บนั่งได้ทั้งวันแต่ลงนั่งได้อะไรโง่ทั้งวันไม่กำหนดแต่พอกาหนดปัญญาตลอดะปัญญาจากความเป็นจริงปัญญาจากความเป็นจริงเพราะฉะนั้นต้องกาหนดต้องกำหนด ให้ท่านเอาประโยชน์ตรงนี้แหละ ย, ยิ่งปวดยิ่งดียิ่งฟุ้งยิ่งมันพอฟุ้งนี่เบื่อหนอเบื่อหนอขี้เกียจหนอขี้เกียจหนอดูมันดูมันนั่นแหละและท่านสังเกตดูนะถ้าวันไหนอากาศรู้สึกร้อนอบอ้าวโอ้โหฐานจิตมันขยันนะวันไหนอากาศร้อนอบอ้าวฐานจิตขยันรู้สึกฟุง้งรู้สึกเบือ่อรู้สึกเซ็งมันตามอากาศของภายนอกด้วยนะ ถ้าสังเกต ด, ดูอะถ้าท่านสังเกตอ้ท่านจะเห็นเลยโอ้อากาศร้อนนี่มันรู้สึกเบื่อรู้สึกฟุ้งรู้สึกเซ็งรู้สึกขี้เกียจมันฐานจิตอะจะขยันทำงานต่วันอย่างนั้น้าว่าอากาศเย็นสบายฝนตกรู้สึกเย็นสบายฐานกายมันขยันอะพองยุบอะไรนี่สาวาชัดดูเพลินดูเพลินดูเพลินดูเพลินนั่นน่ะ ถ้าอากาศเย็นนี่ท่านจะเห็นกําหนดพองยุบได้ชัดแต่พอท่านวันไหนท่านกําหนดพองยุบได้ก็กำหนดได้ดีอาจารย์กําหนดพองยุบได้พอปวดเกิดขึ้นะไม่ได้เลยอาจารย์เอาแล้วทําไมไม่ได้อะก้มทีจริงฐานจิตมันคุ้งมันก็ชัดเนี่ยถ้าท่านกำหนดมันก็ได้เต็มร้อยเหมือนกันแต่ท่านไปเลือกท่านไปอาคาติแต่จิตแล้วเราไม่ครบแล้ว แต่จิตไม่ครบแล้วปวดไม่ครบแล้วเอานั่นไงท่านไปอาคาติกับเขาแต่ปวดไม่ครบครบไม่ได้ปวดนี้ไม่เอาเอานั่นท่านไปอาคาติเขาแต่ถ้าท่านคิดว่าเขาก็คือเพื่อนเราปวดก็คือเพื่อนเราฟุ้งก็คือเพื่อนเราเบื่อก็เพื่อนเราผ้องยุบก็คือเพื่อนเราเสียงเกิดขึ้นก็คือเพื่อนเรากําหนดให้หมดกําหนดหมด ทำไมว่าเพื่อนเราก็บอกแล้วอาันรตุกะไงท้องพองยุบเปรียบเสมือนบ้านท้องพองยุบนี่เปรียบเสมือนบ้านพอท่านปวดปวดน้อยทันทีนั่นอาันรตุกะมาเยี่ยมแล้วปวดนอปวดหนออาันรตุกะมาเยี่ยมถ้าอาันรตุกกะไปท่านก็มากำหนดพองยุบต่อพอท่านกำหนดพองยุบอยู่ได้ยินเสียงได้ยินหนอนั่นอาันรตุกะมาเยี่ยมอาันรตุกะมาเยี่ยมก็รับอาการตุกกะเสร็จก็มาท้องพองยุบต่อ พอทองพองยุบท่านรู้สึกเบื่อเบื่อหนอเบื่อหนอแขกมาเยี่ยมอีกแล้วอาการตุกะมาเยี่ยมแล้วก็กลับมาพองยุบต่อนั่นแหละพองยุบเหมือนกับว่าเ อ, อท่านอยู่บ้านเพราะฉะนั้นท่านอย่าไปปฏิเสธแขกที่เขามาเยี่ยมเรื่องปกติเพราะฉะนั้นท่านอย่าสงสัยนะที่ผมพูดวันนี้คือจะให้ท่านเข้าใจว่าอ๋อการปฏิบัติแบบนี้ที่เป็นรูปแบบนี้แหละ แต่รูปแบบที่มีสติเพราะว่าสัตว์โลกนี่อาศัยรูปแบบโดยสัญชาตญาณกับอาศัยรูปแบบโดยสติถ้าชาวพุทธที่จเจริญวิปัสสนานี่อาศัยรูปแบบด้วยสติถ้าสัตว์โลกทั่วไปคนทั่วไปอาศัยรูปแบบโดยสัญชาตญาณก็คือไม่มีสติเข้ามาเลยเพราะฉะนั้นการที่ท่าน อาศัยรูปแบบอย่างนี้แหละอาศัยรูปแบบเพื่อจะไปสู่มรรคผลแล้วอาศัยรูปแบบแต่ไม่ได้ติดรูปแบบเพราะมีแต่สาภาวะรู้สึกมันตึงมันร้อนเยน็นอ่อนแข็งมันมีอยู่เพราะฉะนั้นท่านอย่าไปเที่ยวผู้ใดคนนูน้นคนนี้ได้ยินว่าปฏิบัติแบบนี้มันติดรูปแบบเดี๋ยวเขาจะว่าเอาอคุณมาพูดอย่างนี้คุณโง่หนะัก เดี๋ยวเขาจะว่าเอาได้เพราะท่านจองรู้ว่าอ๋อสัตว์โลกทั้งหมดส1มสิบภพภูมิต้องมีรูปแบบหมดไม่ว่าเดริฉานไม่ว่ามดไม่ว่าแมงไม่ว่าหมาแมวหนอนเขาก็มีรูปแบบการเดินการอะไรของเขาเป็นรูปแบบของเขาลิงในป่ามันก็ไปรูปตามรูปแบบของเขา มนุษย์เดินในโลกนี้ประเทศไหนๆก็มีรูปแบบเพราะฉะนั้นต้องอาศัยรูปแบบหมดแต่อาศัยรูปแบบโดยมีสติถ้าใครเกิดบอกใครเกิดมาพูดกับท่านว่าออปฏิบัติแบบนี้อาศัยรูปแบบท่านก็บอกว่าเออมันก็จริงนั่นแหละอาศัยรูปแบบแต่รูปแบบที่มีสติแล้วคนทั่วไปล่ะเขามีรูปแบบไหมให้ถ า, ถามบอกเขาถามเขาดูถ้าเขาบอกว่า ไม่มีรูปแบบอ๋อแล้วเวลาเขาเดินนี่ไปทีละกี่กี่เท้าละ่ะแต่ทีละเท้ามันก็รูปแบบถ้าเกิดทีละสองเท้าไม่มีรูปแบบแล้วนะเพราะฉะนั้นรูปแบบต้องอาศัยทิ้งไม่ได้แต่อาศัยสติถ้าเขาเกิดบอกเอาทำแบบนี้มันซ้ำซากไม่ได้มีประโยชน์อะไรท่านก็สามารถตอบได้ว่าใครบ้าง ที่ไม่ซ้ำซากเพราะฉะนั้นคนที่อาศัยอยู่ในโลกสัตว์อาศัยอยู่ในโลกวนอยู่ในวัฏฏานี้แหละอาศัยความซ้ำซากหมดหายใจเข้าหายใจออกถ่ายหนักถ่ายเบากินเล้่วกินอีกเวียนอยู่อย่างนั้นแหละซ้ำซากหมดท่านก็สามารถแก้ปัญหาให้เขาได้ในตรงนี้เพราะฉะนั้นท่านต้องรู้ว่าออรูปแบบต้องมีความซ้ำซากก็ต้องมีเพราะเรายังต้องอยู่ ในโลกนี้เรากำลังจเจริญสติอยู่ก็ต้องอาศัยรูปแบบอย่างนี้แหละต้องทำอย่างนี้แหละเราสามารถให้เขาได้เพราะบางคนเขามิจฉาทิฏฐินะเขาถือว่าเออถ้าเดินเดินแบบนี้รูปแบบเขาไม่อยากจะทำนะเขาไม่อยากจะทำพอทำซากไม่อยากจะทำไม่เห็นได้อะไรเพราะบางรูปบอกอาจารย์เห็นนั่งกหนด มีแต่ปวดมีแต่เบื่อไม่เห็นเป็นปัญญาอะไรเลยอาจารย์นั่นๆัดูดูมีแต่ปวดมีแต่เบื่อไม่เห็นมีปัญญาอะไรเลยพอถามแล้วท่านรู้ได้ยังไงว่าปวดก็รู้ว่าปวดเอาที่ท่านรู้ตกลงรู้ความจริงไม่รู้ความจริงที่รู้ความจริงโง่หรือปัญญาเอาปัญญา เอาแล้เห็นท่านว่านั่งปวดไม่ได้ปัญญาอะไรเลยแต่พอตอบปัญญาขึ้นมาเหตทีท่ท่านว่าเบือ่อแล้วท่านรู้ไม่ว่าเบือ่อรู้คนรู้ความจริงโง่หรือปัญญามันปัญญาเอาเห็นท่านบอกว่านั่งเห็นมีแต่เมื่อยมีแต่ปวดไม่เห็นได้ปัญญาอะไรเลยเพราะอะไรอะ่ะเออเพราะท่านไม่เข้าใจว่าปัญญาของวิปัสนาปัญญาแบบสิ้นคิดปัญญาแบบสิ้นหวัง ปัญญาแบบไม่มีเหตุผลนะโยมบางคนไม่เข้าใจอีกว่าปัญญาอะไรปัญญาสิ้นคิดปัญญาสิ้นหวังปัญญาไม่มีเหตุผลที่โยมปวดนี่โยมเคยคิดให้มันปวดหืเคยไปหวังให้มันปวดอเคยไปหาเหตุผลให้มันปวดอแต่มันปวดขึ้นมาเองไม่ทันคิดไม่ทันหวังไม่ทันมีเหตุผลมันเกิดขึ้นมาแล้วนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็เรารู้เมื่อพอเรารู้นั่นแหละก็เป็นปัญญาปัญญานั้นรู้แบบ ไม่ต้องคิดไม่ต้องหวังไม่ต้องไปหาเหตุผลมันเกิดมาเองที่เรารู้สึกเบื่อรู้สึกเบื่อเราเคยคิดรือว่าให้เบื่อเคยไปหวังเือให้เบื่อไม่หวังเคยไปหาเหตุผลหรือว่าให้เราเบื่อไม่เคยไปหาเหตุผลแต่มันเกิดมาแล้วว่าเบือ่อแลเรารู้ไม่ว่าเบื่อรู้คนรู้ความจริงโง่หรือปัญญาปัญญาและปัญญานั้นเราเคยคิดไหมไม่คิดหวังไหมไม่หวังหาเหตุผลไว้ก่อนไม่ไม่ไมีม นั่นแหละปัญญาจากรู้จริงเพราะฉะนั้นปัญญาของวิปัสสนานี่ปัญญาแบบสิ้นคิดสิ้นหวังไม่ได้มีเหตุผลอะไรอยู่นิ่งๆมันโผล่มาอยู่นิ่งๆมันโผล่มาโผล่มาแล้วก็เราก็รู้นั่นแหละมันเป็นปัญญาไม่เหมือนกับปัญญาที่ทางโลกถ้าทางโลกนี่เขาเป็นแค่จินตมยปัญญาแค่นั่งคิดนั่งตีความ แต่พอวิปัสสนานี่มันเป็นภาวนามยปัญญาปัญญาที่ไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้คิดไม่ได้หวังไม่ได้ไปหาเหตุผลอะไรถึงอวิชามันไม่ปรากฏเมื่ออวิชาไม่ปรากฏเท่ากับพบชาติไม่มีเมื่อพบชาติไม่มีเท่ากับเป็นโลกุตระทันทีไงเป็นโลกุตระเพราะพบชาติไม่มีเพราะไม่มีอวิชาาเพราะฉะนั้นที่รู้ความจริงไปทุกขณะนี่แหละเท่ากับรู้เขาเรียกว่าเป็นธรรมโลกุตระตลอดเลย เป็นธรรมโลกุตระแม้ว่าตอนนี้คิดว่าเรายังไม่ถึงโลกุตระแต่เราได้เดินเส้นทางแล้วยังเส้นทางแห่งโลกุตระเราได้ไปแล้วยังเราบอกเส้นทางนี้ไปกรุงเทพเอาแล้วเราได้เดินบนเส้นทางที่ไปกรุงเทพแล้วยังถ้าได้เดินแล้วสักวันหนึ่งต้องไปถึงแน่นอนถ้าเราไม่หยุดเสียก่อนแต่ถ้าเรารู้เส้นทางนี้ไปกรุงเทพแต่เราไม่ยอมเดินะ อย่าไปหวังว่าจะไปถึงกรุงเทพอย่าไปหวังเพราะฉะนั้นเส้นทางที่โยมกําหนดนี่แหละที่ท่านกําหนดนี่แหละเป็นเส้นทางแห่งโลกุตาระเพราะอาวิชชาไม่เกิดอวิชชาไม่เกิดเมื่ออวิชชาไม่เกิดนั่นแหละภพชาติไม่มีเมื่อภพชาติไม่มีเป็นปัญญาโลกุตาระแต่ถ้าเกิดรู้คิดรู้ตีความมันเป็นอวิชชาเมื่ออวิชชาเกิด พบชาติมันเกิดถ้าพบชาติเกิดโลกียะแน่นอนถ้ามีพบชาติคือโลกิยะแน่นอนถ้าพบชาติเกิดโลกิยะแน่นอนแต่พบชาติไม่เกิดโลกุตระแน่นอนที่โยมกําหนดแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งเพราะฉะนั้นไอรู้ว่าที่ว่าท่านได้มากําหนดกันมีประโยชน์อย่างมากมายไม่ว่าจะปวดไม่ว่าจะเบื่อจะเซ็งจะฟุง้ง นั่นท่านอยู่กับความจริงอยู่กับความจริงอย่างนี้ท่านจึงเห็นทุกเมื่อเห็นทุกนั่นแหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรเล่าสัมมาทิฏฐิก็คือเห็นทุกเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางนี้ท่านเดินถูกต้องแล้วเพราะท่านเห็นทุกอยู่ทั้งวันเห็นทุกของรูปของนามอยู่ทั้งวันเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของท่านนี่ถูกที่ท่านเห็นทุกคือถูกเพราะว่าสัมมาทิฏฐิไงสัมมาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรเล่าสัมมาทิฏฐิคือเห็นทุก นั่นเลยถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของท่านนี่ท่านไม่ต้องสงสัยถูกแน่นอนนะถูกแน่นอนท่านพยายามกำหนดปัจจุบันมีเวลาน้อยแล้วก็ขอให้ท่านขยันเยอะๆนะขยันเยอะๆผมก็มาเพื่อจะคอยช่วยสนับสนุนพระที่มาดูแลก็คอยช่วยสนับสนุนท่านไม่ได้มาคอยจับปิดท่าน แต่ถ้าผู้ใดขี้เกียจชอบหลบชอบอู้คอยระวังตัวให้ดีเออคอยระวังตัวให้ดีเพราะมาเบียดเบียนผู้อื่นด้วยยงไงเออต้องคอยระวังตัวให้ดีถ้าผมเคยบอกไว้ท่านก็น่าจะจำได้บอกอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องรักห่วงช่วยเหลือกันอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องแต่ขอให้น้องหรือว่าพี่รับผิดชอบหน้าที่ให้ดี ถ้าเกิดพี่คนไหนน้องคนไหนรับผิดชอบไม่ดีระวังระวังหนอเออนะใครรู้สึกย่อยอนแก้ไขนะบอกแล้วรู้สึกย่อยอนในแก้ไขเพราะผมบอกแล้วว่าบางทียังห้าวันสุดท้ายนี่ผมยังเคยเช็คบินเออยังห้าวันสุดท้ายนี่ก็ยังเคยเช็คบินเพราะฉะนั้นตอนนี้ตอนนี้ ยังเข้าโครงสุดท้ายแล้วให้รับผิดชอบกันให้ดีเพราะตาคิดว่าร0อยเปอร์เซนที่ยังเละเละแห ล, ะ, ละอยู่บ้างนี่ผมว่าสาักสามสี่เปอร์เซนเองเออมันเกือบเต็มร้อยแล้วที่ผมดูเกือบเต็มร้อยแล้วที่ความสำรวมการขยัยนการปฏิบัติ ผมดูนี่ก็เกือบร้อยเปอร์เซนต์แล้วเรื่องเสียงเรื่องอะไรเรื่องความสงบคือเห็นแล้วภาคภูมิใจอะ่ะ เ, ออเห็นแล้วภาคภูมิใจเอา้าวันนี้ก็แค่นี้นะบรรยายพอเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านทุกๆรูปทุกๆบุญที่ท่านทำแล้วก็ขออนุโมทนาบุญนั้นด้วย แล้วบุญกุศลทั้งหลายที่กระผมได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตแต่ชาติขอดีจนถึงปัจจุบันใชาติก็ขอให้ท่านได้รับส่วนบุญควนกุศลนี้เท่าเท่ากับกระผมด้วยและด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพอนุภาพแห่งพระรันตนใจก็ขอสง่งผลบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้ให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่จเจริญด้วยอายุวันนะสุขะปละ ปฏิพานธนสารสมบัติและทรรมเป็นสมบัติปราถนาะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในธรรมแล้วก็ขอให้สิ่งเหล่านั้นจงสาเร็จทุกๆประการและขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขแห่งพรหมจรรย์ น, นี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปขึ้นชื่อว่าภัยก็อย่าได้มีขึ้นชื่อว่าธรรมก็ขอให้ตามรักษาท่านไปทุกภพทุกชาต กว่าจะสำเร็จมรรคผลนิพพานด้วยเถอนสาธุสาธุสา